ฝึกจิตให้มีความสงบการบริหารจิตคือการฝึกอบรมจิตให้มีความสงบเยือกเย็นเป็นสุขขณะเดียวกันรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกควรแก้ไขอะไรควรส่งเสริมอย่างไรและเมื่อรู้แล้วก็ควรปฏิบัติเพื่อแก้ไขหรือส่งเสริมให้เหมาะให้ควร คือปฏิบัติเพื่อแก้ไขสิ่งที่ควรได้รับการแก้ไขและส่งเสริมสิ่งที่ควรได้รับการส่งเสริมการบริหารทางจิตไม่ใช่เพียงเพื่อฝึกอบรมจิตใจให้สงบเยือกเย็นเป็นสุขอย่างไม่รับรู้เลยว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรแก้ไขอะไรควรส่งเสริมอันจิตที่ได้รับการฝึกอบรมในทางที่ถูกนั้น ต้องเป็นจิตที่มีความสงบเยือกเย็นเป็นสุขและมีทั้งปัญญายิ่งขึ้นและปัญญาที่มีความสงบเป็นพื้นฐานนี้แหละที่จะทำให้มีความรู้ในสิ่งที่ควรรู้เห็นในสิ่งที่ควรเห็นเช่นรู้ความผิดถูกความควรไม่ควรรู้วิธีปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างถูกต้องผู้ปรารถนาความสงบเยือกเย็นเป็นสุข และความมีปัญญารู้เห็นอะไรๆโดยชอบจึงจำเป็นต้องบริหารจิตและจำเป็นต้องบริหารตามหลักของพระพุทธศาสนาจึงจะได้ผลสมดังปรารถนานั้นข้อว่าจิตที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างถูกต้องจะเป็นจิตที่มีความสงบเยือกเย็นเป็นสุขและมีปัญญารู้ในสิ่งที่ควรรู้เห็นในสิ่งที่ควรเห็น เช่นรู้ความถูกความผิดความควรความไม่ควรและรู้วิธีปฏิบัติในสิ่งเหล่านั้นอย่างถูกต้องหมายความว่ารู้วิธีปฏิบัติเพื่อแก้ไขหรือส่งเสริมเรื่องทั้งหลายโดยไม่จำเป็นต้องใช้อำนาจอารมณ์กิเลสเช่นไม่จำเป็นต้องโลภจึงจะขยันหมั่นเพียรประกอบอาชีพเพื่อให้ได้ทรัพย์สินเงินทองไม่จาเป็นต้องโกรธจึงจะว่ากล่าวตักเตือน หรือลงโทษผู้ที่กระทำความผิดไม่จําเป็นต้องหลงจึงจะสามารถทำเหมือนไม่รู้ไม่เห็นสิ่งที่ไม่ควรรู้ไม่ควรเห็นเสียได้กำลังที่เกิดจากกิเลสคือโลภะหรือโทสะหรือโมหะไม่ใช่อย่างเดียวกับการปฏิบัติอย่างถูกต้องที่เกิดจากปัญญาอันเห็นถูกเห็นผิดในเรื่องทั้งหลายทั้งอย่างแตกต่างจากกันเป็นอันมาก กำลังที่เกิดแล้วรอกิเลสทำให้การปฏิบัติต่อเรื่องราวทั้งหลายเป็นไปอย่างผิดพลาดโดยมากแต่ความรู้การควรไม่ควรที่เกิดจากปัญญาทำให้การปฏิบัติต่อเรื่องราวทั้งหลายเป็นไปอย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเมื่อต้องการปฏิบัติต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหลายให้ถูกต้องเสมอจึงจำเป็นต้องบริหารจิตตามหลักของพระพุทธศาสนา ให้กิเลสลดน้อยลงอารมณ์ลดน้อยลงจิตใจสงบเยือกเย็นและปัญญาเจริญยิ่งขึ้นกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเป็นโรคร้ายทางใจที่ไม่ได้ร้ายน้อยไปกว่าโรคร้ายทางกายที่ร้ายที่สุดเมื่อโรคร้ายเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจ จำเป็นจะต้องรักษามิฉนั้นก็จะกำเริบทำให้ถึงตายถ้าเป็นโรคทางกายและถึงทำให้เสียผู้เสียคนถ้าเป็นโรคทางใจคนที่เสียแล้วก็คือคนที่ตายแล้วในทางชื่อเสียงและทางคุณงามความดีจะกล่าวว่าโรคร้ายทางใจมีโทษร้ายแรงยิ่งกว่าโรคร้ายทางกายก็ไม่ผิดเพราะผู้ตายไปจริงๆ ด้วยโรคร้ายทางกายนั้นดีกว่าที่ผู้ตายแล้วในทางชื่อเสียงและคุณงามความดีด้วยโรคร้ายทางใจกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงที่ไม่ได้รับการขัดเกลารแก้ไขจะทำให้เสียผู้เสียคนหรือตายทั้งเป็นได้จริงผู้ที่ไม่ประสงค์จะได้ชื่อว่าเป็นคนตายทั้งเป็น คือเสื่อมเสียทั้งชื่อเสียงเกียรติยศคุณงามความดีจึงจำเป็นต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่อขัดเกลวแก้ไขความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจของสามัญชนทุกคนแตกต่างกันแต่เพียงมากหรือน้อยเท่านั้น